ที่สารุธนหลงปูล่าเขมะปัตโตได้กล่าวว่าเราไม่ได้ทุกอยู่กับสิ่งใดาภายนอกไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรืออาการทางกายอาการทางใจหรือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์แม้แต่เป็นสัญญาเวทนาที่จำสัญญา ที่ไม่ชอบใจเป็นทุกขเวทนาขึ้นมาเช่นจําความรู้สึกอัดตื้อไม่โปร่งไม่โล่งไม่เบาสบายขึ้นมาหรือจําความรู้สึกโปร่งโล่งเบาสบายขึ้นมาหรือจําความรู้สึกโล่งบ้างขึ้นมานั้นก็หาใช่ใจไม่เพราะแม้แต่เป็นสัญญาเวทนาคือจําความรู้สึกนั้นขึ้นมาเลยไม่ว่าจะจําำศกเวทนาหรือจําทุกขเวทนาขึ้นมาหรือแม้แต่เป็นความคิดความนึกความตึกความตองก็าปรปงแต่ง อารมณ์ต่างๆก็ไม่ใช่ใจใจมีสภาพเป็นผู้รู้ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีที่อยู่ไม่มีสิ่งที่ปรากฏให้รู้ได้ให้รับรู้ได้ทำหน้าที่รู้เขาอย่างเดียวไม่อาจมีผู้ใดไปรู้เขาได้ถ้าสิ่งใดถูกรู้ได้ถูกรับรู้ได้ถูกรู้สึกได้สิ่งนั้นไม่ใช่ใจดังนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขาร หรือวิญญาณที่สเสวยอารมณ์นั้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกใจหรือไม่ใช่ใจแต่เมื่อใดใจก็ไปยึดถือสนใจให้ค่าให้ความสําคัญก็ไปรักไปชังไม่พอใจไม่พอใจก็ไปยินดีไปยินไายหรือมีความอยากหรือความไม่อยากอย่างไรต่อสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นหรือสิ่งที่รับรู้ได้เหล่านั้นหรือสิ่งที่รู้สึกขึ้นมาในใจได้ในขณะปัจจุบันดังนั้น ก็จะเข้ามาอยู่ในใจหรือทำให้ใจมีความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเรียกว่าใจไม่เป็นธรรมแล้วเราก็มีความทุกข์กับสิ่งที่เอาเข้ามาไว้ในใจนั้นเราไม่ได้ทุกข์กับสิ่งที่อยู่ภายนอกใจถ้าเราไม่เอาสิ่งใดเข้ามาไว้ในใจใจก็ว่างเปล่ า, าใจก็เป็นธรรมก็จะไม่ปรากฏตัวใจ มีแต่การรับรู้เท่านั้นโดยที่ไม่ปรากฏตัวตนของผู้รู้หรือผู้รู้สึกตัวให้รู้สึกได้สภาพใจที่เป็นธรรมที่ไม่อาจรู้ได้แต่เมื่อพอเกิดความยึดถือสิ่งใดเข้าไปสภาพใจที่เป็นธรรมก็หายไปกลายเป็นโลกเพราะใจนั้นเองก็เป็นใจที่เป็นทุกข์เป็นใจที่รู้สึกได้เป็นใจที่ถูกรับรู้ได้ก็เป็นโลกหรือเป็นสังขารไม่เที่ยง เมื่อสิ้นการยึดถือสิ่งใดที่เอาเข้าไว้ในใจก็ไม่มีอะไรอยู่ในใจหรืออยู่อย่างไม่มีใจมีแต่อาการทางใจหรือปฎิยาทางใจหรือพฤติกรรมทางใจที่ปรากฏให้รับรู้ได้ให้รู้สึกได้เท่านั้นในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันส่วนใจหรือจิตเดิมแท้ๆไม่เคยปรากฏตัวตนออกมาเลยไม่เคยมี ปฏิกิริยาใดหรืออาการใดๆให้จับความรู้สึกได้ให้รับรู้ได้เมื่ออยู่ยังไม่มีผู้ยึดถือก็จะอยู่กับธรรมหรือใจเป็นธรรมตลอดเวลาแต่ไม่ได้เกิดจากการสแสวงหาค้นหาหรือไปจับความรู้สึกใดๆมาเป็นใจหรือมาเป็นธรรมเพราะธรรมนั้นไม่อาจรู้สึกได้ไม่อาจรับรู้ได้ แต่ถ้ามีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ถึงเราเป็นผู้เป็นหรือเราเป็นผู้บรรลุธรรมนั้นก็ยังไม่ใช่ท้งนั้นคือยังมีความรู้สึกว่ามีเราเข้าไปเสวยจิงใดอยู่ก็ล้วนแต่เป็นวิปัสสนุปกิเลสเป็นความหลงจะต้องไม่มีความรู้สึกว่ามีเราเป็นผู้ถึงเราเป็นผู้เป็นหรือเราเป็นผู้เสวยหรือเราเป็นผู้ได้ คงมีแต่อาการหรือปฏิริยาหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นที่เกิดขึ้นและดับไปหาได้มีผู้เสวยหรือผู้รู้สึกว่ า, าเราเป็นผู้ถึงเราเป็นผู้เป็นเราเป็นผู้ใดอะไรถ้ายังมีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ถึงเราเป็นผู้เป็นเราเป็นผู้บรรลุพระนิพพานหรือเราเป็นพระ อ, อรหันต์ก็เท่ากับยังมีผู้เสวยมีผู้ก็ไปลองรับมีผู้ก็ไปยึดถือ ก็ยังไม่ได้คนทุกข์ที่แท้จริงหลวงปู่มั่นภูริชตโตได้ถามปัญหาธรรมกับลูกสิธิ์ของท่านว่าอะไรเอ่ยมีไม่มีไม่มีมีซึ่งคำว่ามีไม่มีนั้นก็คือถ้ายึดถือสิ่งที่มีอยู่ คือร่างกายจิตใจเป็นสิ่งที่มีอยู่แสดงอยู่ปรากฏอยู่ในขณะปัจจุบันนั้นๆทุกขณะปัจจุบันแล้วเข้าไปยึดถือสิ่งที่มีอยู่ในขณะปัจจุบันนั้นๆก็จะไม่มีธรรมส่วนคำที่ว่าอะไรเอ่ยไม่มีมีก็หมายถึงว่าต้องร่างกายและจิตใจ แล้สิ่งที่ปรากฏขึ้นเกิดขึ้นกระเพื่อมขึ้นมีขึ้นรู้สึกได้รับรู้ได้ภายในใจนั้น <S <S 1> <S 1> เป็นสิ่งที่มีขึ้นหรือเป็นสิ่งที่มีแต่ไม่มีผู้เข้าไปยึดถือไม่มีผู้เข้าไปให้ค่าให้ความสำคัญเข้าไปรักไปจังไปพอใจไม่พอใจไม่เข้าไปยินดีไม่เข้าไปยินลายไม่เข้าไปอยากไม่เข้าไปไม่อยากอย่างไร ต่อสิ่งที่มีอยู่นั้นหรือเรียกว่ามีเหมือนไม่มีดังนี้ก็จะมีทารรกฎขึ้นในขณะนั้นทันที